บทอัลอันอามเป็นบทมักกียะมี 165 องค์การในบทนี้ได้พูดถึงหลักศรัทธาเชื่อมั่นตลอดจนพื้นฐานของการศรัทธาซึ่งพอจะสรุปเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญดังต่อไปนี้เรื่องพระเจ้าเรื่ององค์การของพระเจ้าเรื่องการฟื้นคืนชีพของมนุษย์เพื่อรับการตอบแทนความดีความชั่ว รายละเอียดของบทนี้โดยทั่วไปจะเห็นอย่างเด่นชัดถึงพื้นฐานในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งเราพบว่ามีการใช้หลักฐานที่เข้มข้นชัดเจนกินกับปัญญาพระบทมักกียะห์ได้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์ซึ่งมีชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกบูชาจเวตการเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามในช่วงที่อยู่ในนครมักกะฮ์มี 2 รูปแบบที่เด่นชัด ซึ่งน้อยนักที่เราจะพบในที่อื่นๆทั้ง 2 รูปแบบนั้นก็คือรูปแบบสำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดรูปแบบสำนวนการสอนให้จดจำประการที่ 1 จำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดคือกัมภีร์อัลกุรอานจะเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์โดยระบุถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีอัลเลาะห์ พระองค์ทรงเดชาสามารถเป็นผู้มีอำนาจในรูปแบบที่ต้องยอมรับเช่นได้จากข้อความที่ใช้ในอัลกุรอานในรูปซักพนาบแทนพระองค์เป็นการย้ําและเน้นให้เห็นอยู่เสมอแล้วในที่สุดมนุษย์ก็ต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้อภิบาลโดยปริญาณประการที่ 2 สมํานวนแบบการสอนให้จดจําเช่นสอนในท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาไปโต้ตอบ วิธีนี้จะมีมาในรูปคําถามและคําตอบด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าบทอัลอันอามจึงเป็นบทมักกียะห์ที่มีความยาวและความสําคัญในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆองค์ประกอบการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการสร้างและการบังเกิด กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนทูตและเรื่องราวของคนรุ่นก่อนๆกล่าวทุกวันฟื้นคืนจีบระหว่างแห่งการตอบแทนความดีความชั่วพร้อมทั้งได้กล่าวถึงบิดาแห่งบรรดาศาสนทูตคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นเป็นอุทาหรณ์อันดียิ่งแก่พวกเราทุกคนสาเหตุที่ตั้งชื่อบทนี้ว่าอัลอัลอะ เพราะในบทนี้มีเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์สี่เท้าอันได้แก่อูฐวัวแพะและแกะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีคอละกอสสะมาวาติวัลอัรฎอวะจอะละอซซุลูมาติวานนูร ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كان سنسر นั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและได้ทรงให้มีความมืดและแสงสว่างแต่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังให้มีสิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระผู้บานของพวกเขา هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ พรองค์คือผู้ที่ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากดินแล้วได้ทรงกำหนดเวลาแห่งความตายไว้และกำหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์แต่แล้วพวกเจ้าก็ยังสงสัยกันอยู่ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون بره هو الله ทั้งในบรรดาฉันฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและเปิดเผยและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากําลังขวนขวายอยู่ وما تأتيهم من آيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ไม่มีองค์การใดจากบรรดาองค์การแห่งพระผู้บานของพวกเขามายังพวกเขานอกจากได้ปรากฏหัวพวกเขาผินหลังให้แก่องค์การนั้นละกอดินกัซบูบิลฮักลัมมาจาออฮุมฟะซูฟยาตีฮุมอัมบามากานูบิฮิยัสเตฮซีอูนแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริง مؤ قوام تينن داي ما يان پوكاو لاو خاو خราว ของสิงที่พวกเขาเคยเยยยันไว้นั้นก็จะมาอย่างพวกเขา alam yarun kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ard makkannahum fil ard ma lam makkil lakum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 และความสามารถในแผ่นดินซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้มีให้แก่พวกเจ้าและเราได้ส่งฝนมายังพวกเขาอย่างมากมายเราได้มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาและเราก็ทําลายพวกเขาเสียเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาและเราได้มีประชาชาติอื่นเกิดขึ้นหลังจากพวกเขา ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين لقد راه دهลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์ฉบับหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษ และพวกเขาก็ได้สัมผัสคัมภีร์นั้นด้วยมือของพวกเขาเอง แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้มิใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชัดแจ้งเท่านั้นวะกาลูลาอ์อินซะลอะลัยฮิมะลัควะลาวอินซัลนามะละกัลลักฎิยัลอัมรซุมมะลายันดะรุนพวกเขาได้กล่าวว่าฉะไหนเล่ามะลัคจึงไม่ได้ถูกลงมาให้แก่เขา หากว่าเราได้ให้มลักลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็จะไม่ถูกรอคอย ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون หากว่าเราได้เขาเป็นมลักแน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชายและแน่นอนเรา ที่พวกเขาคุมครือกันอยู่เป็นที่คุมครือแก่พวกเขาต่อไปวะละกอดิสตุฮซีอะบิรุซุลมินกับลิกฟะฮากอบิลละดีนะซะฮิรูมินฮุมมากานูบิฮิยัสเตฮซีอูนแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกเย้ยหยันมาแล้วดังนั้นจึงได้ล้อมบรรดาผู้ที่เย้ยหยันศาสนทูตเหล่านั้นไว้ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันกันกุลซีรุฟิลอัรฎิซุมมันดูรุไคฟะกานอาคิบะอัลมุกัซซิบินจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดแล้วจงพิจารณาดูว่าบ้านปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นอย่างไรบ้างกุลลิมันมาฟิสซะมาวาติวัลอรฎิ قل لله كتب على نفسه الرحمه لا اجمعنكم الى يوم القيامه لا غيب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าเป็นของอัลเลาะห์พระองค์ได้ทรงกําหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าไปสู่วันกิยามะห์โดยไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นบรรดาผู้ที่ทําตัวของพวกเขาขาดทุนนั้นพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาวะละฮูมาสะกนะฟิลไลลวัลนฮารวะฮุวัลซะมีอุลอะลีมสิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืน กกลางวันนั้นเป็นสิทธิของพระองค์โดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้กุลอะไฆรอัลลอฮิอัตตะฮิดวะลียันฟาติริสสะมาวาติวัลอรฎิวะฮูวะยุตออมุวะลายุตออมกุลอินนีอุมิรตุอันอะกูนอะวัลมันอัสลัมวะลาตะกูนันมินอัลมุชริกีนจงกล่าวเถอะ ท่านจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงฉันนั้นถูกชาให้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามิภักดิ์และพวกเจ้าจง اَخَافُ اَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تُمْقَاوْ ثَرْ مُحَمَّد وَتَأَ حَقِيقَةً شَن خُورْ กานลงโทดในวันอันยิ่งใหญ่หากชันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน مَايُسْرَفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ผู้ใดที่การลงโทดได้หันเหออกจากเขาในวันนั้นแล้ว แน่นอนพระองค์ทรงเมตตาเขาและนั่นคือชัยชนะอันชัดเจนวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดอรินฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮุวะอียัมซัสกะบิค็อยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีดละหะบวะอัลลอฮซงไฮความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบกับเจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดจะปลดเปลื้องมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงพระองค์นั้นทรงเนรชานุภาพเหนือทุกสิ่ง